พระธรรมเทศนาโมโหสดจดกจอมปราแห่งมิถิลาภูกติสิภกฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปาหุชลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทาหกประโยคทักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายอะโม ตาซาภะกวโตอะระหโตสมาสัมปุทสาปันดิโตปุริมานาเยนาปวติงยัตตาติสาทาวดุราสปุริตาทั้งหลตั้งยิ่งใจหนุมเทา นนั่งเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาปันดิตโตปุริมานันเยนะดังนี้เป็นต้นบัตนีดเดเตปันดิตโตอันว่าเจ้ามโหสตนบุญใหญ่หนอพระติวัยทรงธรรมหัวเจ้าหอคคำจุล น, นิราช ผูหาวหาดใจไฟจะคืนโยธาในมวนหมู่ล้อมเมืองอยู่หึงนานคืนโยทาหารอามาดตั้งไพราชพาเจ้ามีนำนามวนหมู่กาอันอยู่ในเมืองใดขี่เครื่องกันเขาตั้งหนุ่มเทานิ่งใจ เจ้าบุญภัยยอดใหญ่กันหูไข่ความในก่อเรียวไว้บ่จ้าฮือพวกกาโยธาขนเปื้อตมมาใส่ไว้บุญกรรมแปลงใหญ่เวียงใจหวานเข้าลงไปรีพาวบนเคดาวภาการแล้วอาทิตฐานบ่จา้า ว่ากันสมปานขายังมีเฮอเข้าดีหวานไว้งอขึ้นไดเร็วไว้เฮอคนไก่และไก่หั่นเสียงไข่าตามมีก <c oughs> ันรอยที่แจ้งจอตาวันหลอดพดมาเขานำดนาหวานไว้ก็งอขึ้นไดเร็วไว้เจ้าห่อใจจุนนิราสัตตาสวัสดิ์เลงแยง บนกำแพงเบื้องใหญ่เขียวเสียงไข่อาดายินสังกาหลายหลากจริงออกปากจะทำสึ่งค้นลายลำหนุ่มเทาอันอยู่เฝ้าอาสาว่าเป็นสังจาเขียวไข่บนกำแพงใหญ่เวียงใจใจเตรียมใจแกว่งใจอันเจ้าตั้งไว้ตั้งตน ป้อมรีปนม้วนโมเฝ้าเต้าอยู่มานานแสงทุนสานบอกเราว่าเป็นต้นเขาดีหลีในปุรีนันไสเขาเต็มคอยอานาฝนตกมาหลวดงอกย้อนอยู่นอกช่างหลวงเฮือนปันพวงน้อยใหญ่มีเขาไข่เต็มตัน <c oughs> เขาปักกันเบียดไว้กุมกินได้หลายปีเต่าจุลานี้ที่ราดฟังถ้อยว่าทุนสาจริงจักจาาําทำเราซึ่งปู่เท่าเกวัดอาจารย์ว่าเราหือโยทาหารล้อมไว้ยังเมืองใหญ่มีที่ลาเปืือกหือพระจ่าหนุมเทา่า ได้กันเขาวำวายบ่อสมมายแต่ลาอย้อนเขา้าของเขามีทมนาจุงปิจจาระนาะแถมใ ห, หม่ไดเมืองใหญ่ดังไม้มันก็ถ้าวายกรมเก่าว่าเม่นมีเขาทมนากันลัวหาบ่อได้บ่อมีไหมสุ่มไฟเจ้าวเวียงใจจูบ่บอล ียังเดือด้อนดีลีตั้งเจ้าปุรีวีเตหราชก็จักไม่มาเครีงกาไข่ราตูออกมาบอกจ้าเอเราคาแต่งฟันเจ้าหอจันยศใหญ่ก็บอกไยไตรีปนว่าอยากคนหนุ่มเท่าคนดัวเข้าเวียงใจเฮใหา่ใหญ่แวดไว ห อ, อมเสียงไขว่ึ้นวันดอกคุณท่านหนุ่มเนาหูเงินเก้าขี้ยาก็ฮือโยธาแต่งแสง <c oughs> สัดขอนไม่แหงเรียวไว้ฮือตกไปไปนอกแสงร้องบอกตามไรว่าสูตั้งไหลมวลหมูมาล้อมอยู่หึงนาน เตียงกันอาหารแสบใสย้อนบ่มีไม้สุมไฟจุ่มเอาไปอย่าจะจุ่มตูข้าจักปั่นโหเสียงนั้นซาซาว์ซาณันดาวปุรีเต่าจุลานีนยอดใหญ่หันขอนไม่นานาตกลงมาย้ายยาดจิงทำอาาตเตรียมใจ <c oughs> ว่าเป็นอันใดหลายแหลตกยายแพ่ทมนาจุมโยธาอาตกาหกเล่นกว่านี่ไก่ใจเตรียมใจแก่นใจก็แสงไวทุนสาวามโหสดนา น, นาองค์อาจจบชาลาดหันไก่เล็งหันไผ่ปลายนาคือซึกอาตกาตารน อยากมาพาจนรบภาพเกินขนาดเต่จริงจริงฮือใจหนิงน้อยใหญ่คนลัวมาไว้ทุมนาเต็มเกฮะหลายแหล่เต็มจูงแงกองตั้งหาตีว่างบ่ได้จริงเอามาไว้ใยเรียงบนกำแปงเวียงไข่จอดแล้วก็ตอดลงมา คือโยธาเต้าไทยใดเอาใจสุมไฟเจ้าหอใจจุนลนิราศก่อธามนักผาดเกวัตอาจารย์ผ <c oughs> ัวสามันบาปเ้า ว, ว่าจาักเยลล่าสันได้มันก่อไว้น้อมไวว่าคาแดเต้าไทยราจากันราพมิธิลาเมืองใหญ่ บอกแปไ้ใดดังหมายจากยกตรีปนลหลมวลหมูปอกขึ้นสู่เมืองลังคือปอกไปยังที่เก่าคนจากเหล่าดินตาว่าพาญาจุลนีราเตจะอาตานำภาพเจ้าหอคำําต่างดาวร้อยเอต้าวเป็นทาราเวนมิทิลาเมืองใหญ่ ภาพบ่อใดดังใบเต้าจักละไอยเผดหน้าแก่ไพฟ้าใจายิ้งข้าคานิ้งสั้นส่องหันยังจ้องอุบายจักส ม, มายไฟหอยบ่อกาดก้อยไก่กาเต้าปาราเฮาหาดกอบิราชเจ้าองค์การทำเกวัดอาจารย์ผู้เท่า ว่าจักเหยาเหล่าสันใด้มันก็ไขน้อมไว้ว่าบ่กวรใจรีปนเขา้าฟาจนรบภาพด้วยหอกดาปืนยาตาอกวนดาตกแต่งตามปิ่งเปปปิ่งแป้งกองงามคือทรมายดส์สรงคลามแต่ใส่บีแต่ไทยเดิมตีมโหสถเสนาบอดีฉลาด ข้าก็เป็นนักผาดปุ่มพระญยาหืมันมาอยาจ้าต่อนาคาเรียวไว้กันคนใดไว้ก่อนยอมตัวอ่อนอันจุลีตามรีดมีก่าวตานว่าคนนั้นการดีลีรีปนมีน้อยใหญ่ยอมการควหมดซอยตามรีดรอยแต่เก่า แม่นเต้าเจ้าวิเตหราาก่อจากมานอมบ้บึ่งเต้าไทยผูมิมโหสถเสนาบดีนั้นเล่าพงตุ่มนาวน้ยา ฮาดีนาเท่าแกกว่าพ่อแม่ของมันกันมันหันตัวคาเตียงกมนาวันตาจุมโยธามวลหมูอันแวดอยู่เล็งหันจักปะกันกาวตานบ่ามหโหสถการตามทำเจ้าห่อคำบิเตหะระตังอามาโยธา แลพาจาไฟไตกอจักไว้อันจุลีนยังพระภูมิยดเงาอยอมเป็นข้าเต้าตามทาขอเจ้าห่อคำยดใหญ่อย่าเือไฟไตรีปนเขาพระจนรบภาพเกินคานาเกจิงยังใจหญิงน้อยใหญ่เฮอร้อนไม่เครื่องกากันภาพมีทีลาเมืองใหญ่ ได้เสียงไข่ดังใจจักยกโยธาในมวลหมู่ปอกขึ้นสู่เมืองลังคือปอกไปยังเมืองเก่าไผบ่บอลานินตาเขาจักจาก่าวอ้างโยคุณเจ้าจ้างนันไปขอเจ้าหอใจยอดใหญ่รีบแต้มใส่ลายซาน ถึงตาโอภูบาลวีเตหราชฮือทรงนักพาเสนาบดีมาไขาวาตีต่อตากับตัวคาเดียวปันเ <c oughs> จ้าหอจันจุลนิราชฟังถอยวาดมันจ่าสมมานักสาหลาแแล้วว่าเตียงจากแปรตามทาจริงฮือแต้มแผ่นคําบ่จา เพง่เจ้าฟ้าวิเตหราชไขขีญาแจ้งทีตามเกวัติไขปันก็มีหันแลยนะโสราชาส่วนพญาวิเตหราชเจา้าพาสัเจียงคานได้รับสันริพาวจากตันเต้าจุลนี ก็ไขวาตีเกาอูฮือหนอพระเจ้าหูจูภาคานหนอโปธิญานหูแล้วใจฟ่องแผวนำดากาะฮือโยธารีบสร้างยังสาละกวางบัดเนวฮือรีเรลวเมียนไข่่าดับดอกไม้นานาดูงามตาปอแปงต่างวันตกแห่งเวียงใจ เจ้าจอมไตยยดใหญ่รีบแต้มใสลายสารถึงเต้าผู้บ้านจุนลนีราตแจ้งขวขัญขีญาว่าถึงวันมาผูกเจ้านักผาดเจ้าสองป้ายได้พันพายไว้ว่องไปสู่ห้องศาลาได้ดาตกแต่งไหววันตกแห่งปุรี เปลือกไขว่าตีต่อตาโจต่อนาคนหลายได้มายหูแน่ว่าภัยกั้นหรือแปรสันใด <c oughs> เจ้าห่อใจวีเตหราชก็เฮอามาต่างตาภูมีพระยาแก่นใจรีบแต้มใส่ลายสาร จานอปุถิญานหนุ่มเนาได้บอกเล่าครปันแล้วน้ำไปปันบ่อจ้าทาวายเจ้าฝ้าจุลนีก็มีหันและนาปูนาตีวเสกันวันลุนรุงเจ้าใจหนุ่มเนาต่างตาอันหนอพุท ธ, ธายดใหญ่ได้แต่งไว้ต่างตนไปปลอมรีปนต่างดาว เฝ้ารอเอตตาออกหอใจก่อปากันไปแวดเฝ้ายังปูเท่าเกวัดอาจารย์แสงเป็นปริวานตั้งหมูน่นำไปสู่ศาลารอนอปุทัาบุหมากจักออกจากเวียงใจเพื่อจะใครก่าวตาฮื้อหูแปรกานตามธรรมส่วนเจ้าหอคคำจุนลนิราฐผู้เฮาหาดใจไฟ มีเจ้าหอใจต่างดาวร้อยเอต้าวเป็นปริวานนำโยหาหบนวนหมู่ไปแวดอยู่ใย่ยต่างคนใหม่ไข้หูว่าไผจักอัวสันใด้ไผ่จักไข่เกาแก่ไผจักแปะตามทาส่วนเจ้าบุญนำยอดใหญ่กันกาลาไข่เตืองตัน ก็ภายพันไปเฝ้าส่งเต้าเจ้าวิเตหราาขาบมันตาเบียนแล้วก็ขอยืมแก้วมณีอันงามดีพอแบ่งกุศแปดแห่งเป็นไมายมีก้าลายนักโสดรัศมีวิโรดเรื่องไรเปื่อนนำไปจุล่อยังเท่าใจม่อเกวัตอาจารย์ ออ้าูบ้านวีเตหาราชก็ปงคาตามกรรมดอกคุณธรรมเลิศแล้กกันได้แก้วดวงดีก็ลาเจ้าปุรีธิราชลงภาษาตหใจขี่รถเตรียมใจเล่มใหญ่ระดับไข่เจียงคานป่าปาริวานมวลมากออกไปจากเวียงใจ ยามตาวันใสสองตองคนจุ่ห้องยิงใจกินข้าวายเสียงไข่แดดร้อนไหมเลือการเกวัตอาจารย์ปู่เทาอยู่ท่าเจ้านอมูนี ปรีวานมีแหวกไก่เหือยอย่อยไข่กัญาใจเววาไววันบ่อตั้งมันเรร้นส่วนนอตะสะปนตีไวขี่รถใหญ่เจียงคาน ปาปาริวันวนมากออกมาจากเวียงใจปรีวานไหลแวดไก่ดังฟองสมุดใหญ่ไหไลมามีลักคณะอง์อาจดังสีหาราชไก่ซ้อน ปริวานซ้อนจอมกว่าดังเจ้าฟ้าอินตามีเตวาดาแวดล้อมแหนแห่ออมเป็นปริวานเต้าผู้บาลต่างดาวร้อยเอเต้าเป็นทาราตั้งโยธาน้ยใหญ่กันว่าไดเล่งหันต่างปะกันสั้นพอต่างตานต่อวาตี ว่ามโหสถเสนาบดียศใหญ่หัวแจ้งไขเดือนลายไผบ่หม่เพียบได้พับโลกไตจุมปูเล็งพอดูองอาจวันวิลาตนำนาเขาต่างจาต่อถอยมีบ่อน้อยลายภาการส่วนเกวัดอาจารย์ผู้เท่า หันหนอพระเจ้าบุญดาเข้าศาลามาไกลอดบ่ได้เดือใจก่อรีไปรับตอนยังเจ้าน้อยอ่อนบุญมีแล้วไขว่ตีโอกาสวาดุรานักผาดภูมิราญาสันได้จ้าตัวเจ้าบ่มาแต่เจ้าตามกรรมเรา ม, ามอนนำอยู่ท่า องหันนาดีลีนอมูนีตอบเ่าว่าดูราเจ้าอาจารย์เราหาปัณ น, นาการกามากอันจักมาฝากยอปันหลือลกลอันเสียงไข่บ่มีกาใหญ่กุนลายถึงยามง่ายมารอจริงได้แก้่ยอดมาดีอันงามดีกาใหญ่สืบลายเต้าไทายเหมือนมา จุมผาญาต่างดาวร้อยเอตตาหอดใจบ่มีภัยสักผูจักเคยหูและหันเราจักปันยกยืนด้วยใจจืนยินดีนอบโมนีกล่าวแล้วแสงยืนแก้วไปปันเกวัดหันใจจืนแบมือยืนเดี๋ยวไหวย้อนหมายใจจักใดยังแก้วกาใหญ่ดวงดี หนอโมนีหันแล้วแสงสัตว์แกวไปปันถูกไปมือมันตันบาดแก้วกาะก้อยกาดเสียมือตกไก่ตนบุญหรือหนุ่มเนานักผาดเทาจังไรกาะก้มลงไปบ่อจ้าหมายจักว่ากำเอาเจ้าขิงเล้าบุนใหญ่กาะเต็กคอไว้ซับปัน หน้าผากมันติดแน่นกับปืนเป็นสาลามือหนึ่งนันนาเตกไว้ยังหลังนักผาดใหญ่สามานแล้วแสงขันก่าวทอยอคนใหญ่ด้อยดวงลายอันมา ย, า ย, าย้ายแวดไกาได้ยินไข้สะทานวาดดุร า, าจานผู้เท่าเราหนุ่มเน่านำนา บอกวนมาขาบไปยังตีไกติ่นเราผิดปินเต้าแบบเบารอยรียดเก่าโบราณปริวานมวนหมูอันเฝ้าอยู่เล่งหัน <c oughs> กอปะกันเปล่าร้องไปไขห้องอาณาฮื้อโยธามวนหมูได้ผอหูอาการว่าเกวัตอาจารย์ผู้เท่า ขาบไว้เจ้าเสนาบดีตามประเพณีกาวแกว่าเสนาบดีแป้ตามทำหรือรีอรป น, นํำมวลห ม, มูกันได้หูวขี้ยาใจเววาสาดุงสติฟุงจูคนคนหนอตาสาปนหนุม่มเนาก่อนยูปูเทาจังไร คือตกไปไปนอกเตียข้างขอกศาลาใจเตียมตาแกวนใจก็รีบเก็บแก้วไว้บัตรเดียวแล้วแสงเร็วร่องเปล่า ว, ว่าบัตนี้เต้าจุฬนีนำรีป น, นี้รีบหาวไปสู่ดาวแดนไกลเจ้าหอใจหลหลากร้อยเอ็ดหากเป็นทารา สั้งโยธาใหญ่น้อยได้ยินถอยว่าทีว่าเต้าจุลานีบ่าอยู่เขาก็หลังลู่ถอยหน่นเล่นสะสนจุดาวย่ำกันเต้าเปฟปังเสียงดังดังมีกองไปรอดห้องแดนไก่เล่นนีไปไก่โหดได้สามโยน์เป็นธราร จิงเศร้าซ่ายังจอดย้อนหิวหอดเลือลายก็มีฮันน่นแลยนะส่วนเกวัตอาจา์ผู้ใหญ่เจ็บปวดไข้ตัวตนพอรีปนม้วนหมูบอ่อข้างอยู่แดนใดก็เร็วไวแล่นกว่าเอาตังนาะเป็นไม้ กันผันภายไปรอตีโยธาจอดเสาซากก่เข้าไปหาบ่เจ้าเกวใบเจ้าป่าจุนลนีส่วนเจ้าปุรีน้อยใหญ่ตั้งภายไตโยธา มันมาต่อหน้าก็ร้องดากำไปว่าเป็นสันได้ตัวเทาไวข้ขนหนุ่มเนาเด็กขาตาาาตานมมสาก่าวตานเฮเราการดีลี <c oughs> ตานจุงนี้อย่าอยู่กับจุมงหมูเรารามันก็จะเกา่าเฮเขาแต่มีว่ามโหสุดเสนาบดีนั่นไส เ็คคอมันไววได้ได้มันอุบายเอาแกวยืนคือแล้วตกลงข้าพระทรงใครใดจีงก้มลงไกลตัวมันมันเร็วปันบ่จ้ากำคอขาเ็คหลังแซงบอกยังเจ้าหมูอันเฝ้าอยู่นำนาว่าข้านี่นาขาับไว <c oughs> ยังตีไก่ตีมันเสียงเรื่องนั้นสะสู่ปอบู่เป็นไผ่โยทาไหนน้อยใหญ่บู่ไขขี้ยาฟังเขาจากเ่าวตานก็ว่าขากานดีดีจริงพระนีจูผู้บ่ข้างอยู่คนใดมันจะไขลมเล่ายังเต่าเจ้านานา น้ำโยธาบนหมูปอกมาสูมิทีลามันอาสาขามใจือผาบใดดังหมายเต้าตั้งไหลดุมเท่าฟังบรรเล่าไขปันก็หันตันทวนานายกผัว ก, การีปนรีบขึ้นห่นมาไกลล้อมเมืองมิทีลาไว้จู ป, ปายก็มีหันและนะ เมือนันพญาจุลนีตนหาห้าจริงมีรา จ, จะโองค์การทมเกวัตอาจารย์ผู้เท่าวาจักเย่าสันใดมันก็ใครขับไปว่ากวรล้อมเมืองไว้จู้ายอย่าให้คนตั้งหลายออกได้ดังขังไก่ไว้ในขวงคนปันปวงมวลหมูอันมีอยู่ภายใน บ่อนอนเต่าได้จักกายคื อ, อยังนายนำไนาจักไข่พระตูออกมาบ่าจ้าฮือเราคาแต่งฟันตังเจ้าหอจันวีเตหราตังนักพาตนาบอดีบ่ออาท้ลี่ส่อนไปอยู่บนแดนใด เจ้าหอใจจุลนิราศฟังถ้อยวาดกำ ม, มันก่อเรียวปั้นรีพาวร้องเอิ้นเปล่าโยธาสังร ม, มาพ้อมไข่ล้อมเมืองไว้จูปายบอกืฮ่คนลหลเข้าออกดังขังขอกังกาส่วนนอพุท ธ, ธาบุญใหญ่หูแจ้งไข่ความใน ขอเรียวไว้สั้นสองหายังจ้องอุบายเปลือกสักลายอาจกาได้าักนาดีไก่ปิจารณนาในดันสอดกอหันยอดใจราม จืออาโนเกวัดพระนุ่มเนาเป็นเปื่อนเกา่าเดิมมามีภรญญาองค์อาหูชาลาดไขกกัมนอคุณทาบ่าจา่าเรียกมาต่อหน้าบัดเดียวแล้วจ่าเลี้ยวกา่าอู่ือมันหูขีญามันก่ออาสาคาสู่ตามเจ้าอู่ไขปัน่นแล้วพ่ายพันคืนสู่ ยังตี่อยู่เกหาถึงวันมาผูกเจ้าก่อเอาเข้าอาหารตั้งของวานลุกไหมขึ้นกำแต่งใหญ่เวียงใจแล้วสัตไปต่อหน้าคฮือหัวกาโยธาแห่งพาญาต่างดาวร้องเอือนกล่าวกำไปว่าส่มาไกไหลาหลากเตียงกัญยาเครื่องขี ของเรามีบ่อไรจุงเอาไปใจตามใจเจ้าเวียงใจหนุ่มเทามีหมากเต้านำนาต่างเววากังไกย้อนสู่ล้อมไว้จูไปบอ่อเมื่อนหลลำหมอกจักไข่ผาตุออกมาจูหฮื้อหมูสู่ตา่างนาใดคำคาแต่งฟันต่างเจ้าห่อจันวิเตหาราช ตั้งนักภาเจนาบอดีบ่อนี้เลีหลอดปนจากขอดความตายส่วนรีปนลายหาเท้าแห่งตันเต้าวิเตหราชา แสงเครื่องกาขวดใหม่ยับมันไว้บัดเดียวแล้วรีเปรีวจุงจองมาสู่ห้องพิจารณาว่ามันมีโตสาโตดใหญ่เอาใจใส่สัตวู หน่อซับปัญญูยดใหญ่ก่อแสงโคตรหม่เครื่องกาฮือโยธาผู้ใหญ่เคียนบันไข่อินทีฮือหอยมีเป็นมาเลือดย่อยยาติกาญาเอาฝุ่นดินตาเสียงไข่เอาใส่สาแรกใหญ่บัดเดียวแล้วรีเปวย่อนออกไปไปนอกเพียงใจ ส่วนโยธาในต่างดาวก่อฟังฟ้าออกมาปันนำตัวมันไปไว้ส่งเต้าไทยจุนลนีเต้าภูมิที่ราชสัตว์ตาสวาสดลิงหัน ก็ทามันบอกจ้าว่ามึงมีโตดกาสั่งจ้าคนใดมาใส่โตดนั้นไรหดเหลือลายมันแสงทวายกลมเก้าว่าข้าแดดเต้าเจ้าเนื้อหัว อันว่าตัวข้าไทยเป็นเศนาใหญ่แก่เมืองแห่งเต้าบุญเรื่องวิเตหาราชหูแจ้งขวาจูอันอันมะโหสดหันว่าข้าจักล่ำนาตัวมันจริงว่างปันพวกน้อยอันใจถอยจังไรยับข้าไปใส่ตดอันไรโหดเครื่องขี เธอเขียนตีบุปบาทเธอเจ็บบาดกาญหาของนานาน่อยใหญ่มันริบเอาไข่จูอันอันเจ้าหอจันจุลนิราศฟังถ้อยวาทมันจะาบ่อสังกาขิงคองในแห่งห้องหอระไทยลวดมีใจจืนสู เือมันอยู่เตรียมองเปือ่อกผ้าทรงจากใจเือเป็นสึกใหญ่นำตังยับเจ้าหอ่อฝัางวิเตหาราชกับนักพาตเสนาบดีก็มีวันนั้นแลยนะเนธิตังขีญาสังวันน า, นาวิเศษจาห้องเหตุมะโหสดถูกสิบหกภยัยจากตกบวงกอง ไพจักลมจ่องไปได้กันฟังไปเติมแทงจักหูแจงไปลายดูนก่อบังกรมสมเร็ตเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล